การประชุมออนไลน์ครั้งที่เจ็ดของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่สิบเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอันเนื่องในวันผู้สูงอายุสากลปีพศสองพัอสิบสามองค์การสหประชาชาติเป็นผู้กำหนดให้ทุกวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุสากลหรือ International Day of Older Persons โดยกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่1ตุลาคมพศ2534เพื่อให้เห็นถึงคุณงามความดีของผู้สูงอายุที่สร้างสารรค์สิ่งดีงามและทำคุณประโยชน์มาค่อนชีวิตโดยให้ความหมายของคำว่าผู้สูงอายุว่าคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง แบ่งเป็น2กลุ่มคือผู้สูงอายุตอนต้นคือบุคคลที่มีอายุ 60-69 ถึงปีทั้งชายและหญิงและผู้สูงอายุตอนปลายคือบุคคลที่มีอายุ70ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง โดยองค์การสหประชาชาติยังได้คาดการณ์ว่าในปีพศ2568จะมีประชากรที่อายุมากกว่า60ปีถึง 1,200 ล้านคนทั่วโลกและในปีพศ2593จะมีประชากรที่มีอายุมากกว่า60ปีทั่วโลกถึงเกือบ 2,000 ล้านคนเลยทีเดียว สำหรับในประเทศไทยวันผู้สูงอายุเริ่มได้รับความสำคัญตั้งแต่สมัยจอมพลปพี่บูรสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีกำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโซโนอาบีประธานการประชุมได้กล่าวว่าการแก่นั้นเป็นความจริงของชีวิต โดยเราทุกคนมีอายุมากขึ้นในแต่ละวันและเราก็ได้เห็นภาพผู้สูงอายุในแง่ลบมากมายทำให้เราทุกคนต่างก็กลัวการสูญเสียความยาววัยเรามีการเลือกปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทุกวัยเช่นเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์เรามีความเข้าใจผิดว่า ผู้สูงอายุไม่มีเพศสัมพันธ์จึงทำให้พวกเขาไม่ได้รับการบริการด้านสุขภาพและคำปรึกษาทางเพศ ดังนั้นความมุ่งมั่นของเราในเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์นั้นจะหมายถึงเราต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องของทุกคนและตลอดทั้งวงจรชีวิตของพวกเขานี่คือสิ่งที่เราให้คำมั่นสัญญาไว้ในการประชุมนานาชาติด้านประชากรและการพัฒนาปีพศ2537 แต่อีก26ปีต่อมาเรายังแทบจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้วสำหรับช่วงอายุ 15-49 ปีที่เพิ่มมากขึ้นได้ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 3.7 พูดถึงการเข้าถึงบริการทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบสากล แต่เรื่องเพศของผู้สูงวัยแทบจะเป็นเรื่องที่ต้องห้ามการอภิปรายส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เรื่องความผิดปกติทางเพศแต่เรื่องทางเพศแทบจะไม่มีการพูดถึงเลยแม้ในบริบทของการดูแลสุขภาพตามปกติในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเองก็ตามสายโจติมาลาชิเลีย ผู้อำนวยการของโครงการเอเชียแปซิฟิกรีสอร์สเซ็นเตอร์ฟอร์วีแมนแอโรได้นำเสนอว่าผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปีพศ2562ได้มีผู้สูงอายุทั่วโลกที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมีจำนวนถึง 702.9 ล้านคนโดย 60.1% นั้นอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยังคาดว่าภายในปีพศ2593จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นเกือบ 1.3 พันล้านคนซึ่งแบ่งเป็นผู้หญิงสูงอายุจำนวน 52.9% ของประชากรที่อยู่ในภูมิภาคนี้โดยผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่น ประเทศจีนใช้เวลา25ปีประเทศไทยใช้เวลา22ปีและประเทศเวียดนามใช้เวลา19ปีแต่ในประเทศฝรั่งเศสนั้นใช้เวลาถึง115ปีสำหรับการก้าวไปสู่สังคมสูงอายุแผนปฏิบัติการของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนาหรือ ICPD เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่างๆส่งเสริมการพึ่งพาตนเองพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุโดยให้ความสำคัญกับผู้หญิงเป็นพิเศษช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอย่างมีความหมายมีคุณภาพและสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งขจัดความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในทุกรูปแบบอันมีสีด้านได้แก่ 1. มิติทางเพศโดยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกผู้หญิงมีอายุยืนกว่าผู้ชายโดยเฉลี่ยอย่างน้อย4ปี ซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้ชายจํานวน 90.8% ต่อผู้หญิงที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ชายจํานวน 69.5% ต่อผู้หญิงที่มีอายุเกิน80ปีและเนื่องจากผู้หญิงมีอายุยืนยาวมากขึ้นและอาศัยอยู่คนเดียวก็มากขึ้นทําให้เกิดความท้าทายในหลายประเด็นเนื่องจากผู้หญิงสูงอายุนั้นมีความมั่นคงทางรายได้น้อยลง และยังถูกจำกัดในการเข้าถึงทรัพยากรการดูแลสุขภาพและที่อยู่อาศัยซึ่งการปฏิบัติตามจารีตและประเพณีที่เป็นอันตรายส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติการล่วงละเมิดและความรุนแรงโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงสูงอายุและมักจะทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากความยากจนและการขาดการเข้าถึงความคุ้มครองทางกฎหมาย 2. การคุ้มครองทางสังคมโดยประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ได้เผชิญกับความท้าทายอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่าระบบสุขภาพและสังคมของตนพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในวัยสูงอายุ 3. การล่วงละเมิดผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุทั่วโลกประมาณหนึ่งใน6คนพบว่าเคยถูกล่วงละเมิดซึ่งได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดต่อผู้สูงอายุซึ่งขาดความยินยอมโดยแบ่งออกเป็นการล่วงละเมิดทางจิตใจร่างกายทางเพศอารมณ์และการเงินอย่างไรก็ตามผู้สูงอายุนั้นมีความเสี่ยงต่อความรุนแรงทางเพศน้อยกว่าผู้หญิงที่มีอายุน้อย ด้านสุขภาพถึงแม้จะให้ความสำคัญทางด้านประชากรและผลกระทบของความไม่เสมอภาคทางเพศนโยบายการพัฒนาที่เชื่อมโยงสิทธิมนุษยชนกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ทำให้สถานะของผู้หญิงและเด็กดีขึ้นแต่ในระบบสุขภาพระดับโลกผู้หญิงสูงอายุ ก็ยังถูกกีดกันและไม่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการเหล่านี้โดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพไม่ค่อยถามผู้หญิงสูงอายุเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศและความสัมพันธ์ของพวกเขาทำให้ผู้หญิงสูงอายุไม่สามารถรับการบริการตรวจ HIV และการดูแลสุขภาพที่จําเป็นรวมถึงบริการสนับสนุนในด้านการล่วงละเมิด ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนาและแผนปฏิบัติการปักกิ่งได้แนะนำให้ทบทวนนโยบายด้านสุขภาพระดับโลกเพื่อรวมแนวทางการดำเนินชีวิตเรื่องสุขภาพของผู้หญิงในด้านสิทธิมนุษยชนได้แนะนำว่าควรมีการทำวิจัยร่วมกันในการระบุตัวชี้วัดที่สำคัญ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาและเสริมสร้างการดำเนินการตามกรอบนโยบายที่ครอบคลุมและบูรณาการสำหรับผู้สูงอายุในแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ การวางแนวทางป้องกันโรคและระบบสุขภาพรวมถึงการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการบริการด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุระยะยาวท้งด้านสุขภาพและสังคมซึ่งจำเป็นต้องสร้างความมั่นใจทั้งในด้านสุขภาพจิตร่างกาย รวมถึงต้องมีการจัดการกับความรุนแรงการล่าเลยการทำร้ายผู้สูงอายุและที่สำคัญควรส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของผู้สูงอายุป้องกันการเหยียดวัยและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอายุสำหรับในที่ทำงานเคลดลินลิชลอล ที่ปรึกษาโครงการระดับภูมิภาคของ h e l p a i d International ได้เสนอภาพรวมของสุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุว่าได้มีความเชื่อผิดๆที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องเพศในผู้สูงอายุอยู่4ประการได้แก่ 1. ผู้สูงอายุไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การที่ไม่มีเพศสัมพันธ์นั้นจะเชื่อมโยงกับปัญหาด้านสุขภาพมากกว่าเรื่องของอายุ 2. ผู้สูงอายุไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้สูงอายุจำนวนมากยังคงต้องการมีเพศสัมพันธ์เหมือนวัยอื่นๆได้แก่เพื่อความสุขความสัมพันธ์ลดความเครียดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. ผู้สูงอายุไม่ควรมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นมุมมองจากภายนอกที่ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากสื่อต่างๆและบรรทัดฐานทางสังคมอีกทั้งผู้สูงอายุบางคนก็ทำให้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่กล้าที่จะพูดออกมาแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องเพศนั้นทุกคนสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่และปลอดภยัยและเราทุกคนควรเคารพสิทธิของผู้อื่น ผู้สูงอายุไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์แต่ในความเป็นจริงแล้วความเชื่อและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมสถานภาพการสมรสเพศรสนิยมทางเพศสุขภาพร่างกายและจิตใจ ล้วนมีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางเพศเชกเช่นเดียวกับทุกวัยที่มีความถี่และมีกิจกรรมความพึงพอใจทางเพศที่หลากหลายโดยการสำรวจพฤติกรรมทางเพศทั่วโลกใน26ประเทศในปีพศ2552วารุณีขัดเตมีรายงาน